คนลงผีไก่งามพระขนคนงามพระแต่งโบราณว่าสุภาษิตข้อนี้ยืนยันว่าค่าเนื้อค่าตัวของคนไม่ได้อยู่ในเนื้อในหนังแต่อยู่ที่การแต่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่รุ่นก่อนๆโ น, น้นท่านเห็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนกับพวกสัตว์ที่ไรฉันจึงได้ผูกสุภาษิตขึ้นบอกกล่าวสั่งสอนกันต่อมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยพวกสัตว์เดรัจฉานวัวควายเป็ดไก่มันงามที่ขนที่หนังของมันข่าตัวของมันอยู่ในเนื้อในตัวของมันแล้วถึงมันจะไม่แต่งมันก็งามแต่ตัวเจ้านี่ยเป็นคนไม่ใช่งามที่ขนที่หนังคนเรางามที่แต่งและเหมือนกับท่านได้ย้ำว่าถ้าเจ้าไม่แต่ง ถ้าตัวของเจ้าก็จะสู้เป็ดสู้ไก่ไม่ได้เชิญคิดดูสิท่านผู้หวังก้าวหน้าสุภาษิตข้อนี้ความกระจ่างทุกตัวอักษรส่วนมากพอได้ยินครั้งเดียวก็จำได้จนตายแม้แต่เด็กๆแต่น่าเสียดายที่คนส่วนมากตีความของสุภาษิตผิวเผินไปข้อนี้ได้แก่ตัวข้าพเจ้าเองเมื่อก่อนคิดว่าเป็นสุภาษิต ท, ที่สอนให้ดูไก่ ว่าตัวไหนจะต้องตำราหรือไม่ให้ดูที่ขนของมันและดูคนว่างามหรือไม่ก็ให้ดูที่เครื่องแต่งตัวเข้าใจเพียงเท่านี้จริงๆต่อมาภายหลังจึงได้คิดว่าตัวคิดเผินไปถนัดเหมือนบนรรพบุรุษของเราท่านปลูกมะพร้าวไว้ให้หวังจะให้เราผู้เป็นลูกเป็นหลานได้รับประทานแต่ครั้นมะพร้ามีลูกเราสับกินแต่เปลือกกับกะลา เลยได้รถเพียงนิดหน่อยกินไม่ถึงที่ท่านจะให้กินคือน้ำกับเนื้อของมันน่าเสียดายจริงๆที่จริงสุภาษิตซึ่งสอนกันมาหลายชั่วอายุคนนี้ถ้าจะสอนคนเพียงให้รู้ว่าดูไก่ให้ดูขนเท่านี้ก็ป่วยการสอนกันทำไมใครๆก็ดูเป็นอยู่แล้วแม้แต่เด็กๆดูไก่มันก็ต้องดูที่ขนนอกจากไก่ย่างไก่ต้มเท่านั้น ที่เขาดูหนังกันทีเดียวใครมัวหาดูขนมีหวังอดกินที่ข้าพเจ้าพูดว่าเรากินความของสุภาษิตไม่ถึงนั้นคือเรื่องคำว่าแต่งส่วนมากไปคิดเอาว่าหมายถึงการแต่งตัวคือมีเสื้อผ้าเพชรนินจินดาประดับให้ตัวเรียกว่าแต่งคิดกันเพียงเท่านี้เสียมากที่จริงคาว่าแต่งในสุภาษิตนั้นหมายถึงแต่งคน เราต้องว่ากันตรงนี้ก่อนไม่ใช่แต่งตัวเท่านั้นแต่หมายถึงแต่งคนปัญหาต่อไปก็จะมีว่าคนแต่งคนนั้นเราจะแต่งตรงไหนข้อนี้เราต้องรู้จักคนซิก่อนจึงจะแต่งคนถูกคนหนึ่งคนหนึ่งมีส่วนประกอบใหญ่ๆอยู่สองส่วนคือตัวกับใจถ้ามีแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นคนมีแต่ตัวไม่มีใจเป็นศพ มีแต่ใจไม่มีตัวก็เป็นผีเรื่องเหล่านี้ได้อธิบายมามากแล้วตัวหมายถึงร่างกายซึ่งเป็นส่วนภายนอกใจหมายถึงจิตซึ่งเป็นส่วนภายในการแต่งคนก็ต้องแต่งทั้งสองส่วนคือแต่งทั้งตัวแต่งทั้งใจจึงจะเป็นอันได้แต่งครบถ้วนบริบูรณ์คนที่แต่งตัวใจไม่แต่งนับว่าแต่งได้เพียงครึ่งคนเท่านั้น แต่งตัวตัวก็งามแต่ภายนอกภายในไม่งามในปาตกถาเรื่องจิตข้าพเจ้าได้ว่าไว้ชัดแล้วว่าของงามแต่ข้างนอกนั้นเปรียบเหมือนกับลงผีคือธรรมดาลงผีมันงามแต่ข้างนอกไม่ว่าลงผีบ้านนอกหรือลงผีบังกอกเหมือนกันหมดข้างนอกแต่งเสียหรูสลักสลวยลายลงรักปิดทองงามมาก แล้วยังมีดอกไม้สดดอกไม้แห้งประดับเสียหยดย้อยแต่พอเปิดเข้าไปดูข้างในสิดูไม่ได้สักโลงเดียวถ้าคนไม่รู้ไปเห็นโรงผีเข้าอาจหลงนั่งเฝ้านอนเฝ้าก็ได้คิดว่าเป็นหีบเงินหีบทองแต่ครั้นเฝ้าไปเฝ้าไปสักสองถึงสวันพอกลิ่นผีมันออกเราก็แจวเฝ้าอยู่ทำไมละ่ะโรงผีหรือใครจะทนเฝ้าก็เชิญ คนเรานี้ที่เป็นคนลงผีก็มีเหมือนกันข้างนอกแต่งเสื้อสวยยางกระเทพบุตรเทพธิดาพบกันเข้าก็รักกันเกือบเป็นเกือบตายถ้าเป็นหนุ่มหนุ่มสาวสาวพ่อแม่จัดแจงให้ไม่ทันก็ร้องหม่มร้องไห้แต่ครั้นได้แต่งงานอยู่กินเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเข้าจริงก็ไปได้ไม่กี่น้าเอะอก็ด่าเอาด่าเอาคาด่าเจ็บเจ็ บ, จบแสบแบ นั่นคือกลิ่นผีมันออกละ่ะพระทาทาตุกัมมัดขบกลามทำปากเบ้ตาถลนเข้าใส่นั่นอะไรเสียอีกเล่าผีข้างในโรงมันออกมาหลอกเข้าแล้วคนรักกันไม่รู้จักเลือกจะต้องร้องไห้ถึงสองครั้งครั้งแรกเมื่ออยากได้กันครั้งที่สองเมื่ออยากหย่า ก, กันผู้ที่หวังความก้าวหน้าพึงระวังจงหนัก ทั้งสองประตูคืออย่าปล่อยให้ตัวเป็นคนลงผีแล้วก็อย่าหลงคบคนลงผีเข้าข้อแรกสำคัญที่การแต่งตัวต้องแต่งทั้งข้างนอกแต่งทั้งข้างในข้อหลังจงอย่าใจเร็วดดวนได้ผีจะหลอก